ต่อจากนี้ไปท่านจะได้ฟังธรรมะเรื่องใจคนดัดตรงได้พระหาริตะเทระโดยสมณะทราบซึ้งสิริเตโชได้แสดงธรรมไว้เมื่อวันที่14พฤษภาคม2546ณพุทธสถานสันติอโศกขอเชิญท่านรับฟังได้ณนะบัดนี้ เอาบทพระอรหันต์รูปหนึ่งให้ฟังดูเคยๆ เ, เอามาพูดให้ฟังไปทีแล้วแหละแต่วันนี้มาพูดใหม่อีกนชื่อว่าพระหาริตะเถระจะมาเขียนกรนนำมาไว้ว่าช่างสอนดัดสอนให้ตรงใจคนก็ดัดตรงได้หากไม่เกียดคร้านร่ำไร ตั้งใจดัดจริงได้เร็วนะคนเราเนี่ยถ้าเราจะดัดจริตของเราเนี่ยถ้าตั้งใจจริงๆคอยตรวจจิตตรวจใจนะแล้วคอยดัดอยู่เรื่อยมดัดได้เร็วส่วนใครไม่ตั้งใจมันก็ดัดช้าจริตก็จะเปลี่ยนช้าอลองฟังดูว่าเรื่องไม่ยาวนะเรื่องสั้นๆเองว่านใ น, นอดีตการอันเนิ่นนานมาแล้ว อดีตชาติของพระหาริตาเถระก็ได้สั่งสมบุญกุศลเอาไว้ด้วยการนำเอาดอกไม้ที่เกิดในป่าหิมพานต์คือดอกอัญชันเขียวมาถวายแด่พระปัจเจกับพุทธเจ้านามว่าสุทัศนะซึ่งพักอาศัยอยู่ที่ภูเขาชื่อว่าวัสละไม่ห่างไกลจากหิมป่าหิมพานต์นักฟังดูให้ทันนะ น, นี้พูดถึงอดีตชาติของพระหาริตะว่าว่าในอดีตชาติเนี่ยนะเอาดอกไม้อดอกอัญชันเขียวเนี่ยมาถวายพระปัจเจกับพุทธเจ้ า, เ, าเรียกพระปัจเจกับพุทธเจ้าเนี่ยจริงๆก็คือเป็นพระพุทธเจ้าด้วยแต่เป็นเป็นแบบพระปัจเจกไม่ใช่สัมมาสัมพุทธเจ้านะพะพุทธเจ้าก็มีแบ่ง แบ่งเกรไปอีกนะแบ่งประเภทไปอีกเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นประเภทภพระปัจเจกพระพุทธเจ้าซึ่งอาจมาก็พูดบ่อยว่าทั่วไปเนี่ยเขาชอบหมายความว่าเป็นพระพุทธเจ้าที่สอนใครไม่ได้ไม่ได้สอนใครผูออ้ง่ายไม่มีลูกศิษย์ลูกหาไม่ได้สร้างศาสนาอะไรเนี่ยเป็นพระปัจเจกพระพุทธเจ้าซึ่งจริงๆแล้ว น ะ, ะพระปเจกับพระพุทธเจ้าเนี่ยระดับความรู้ความสามารถแต่มาบอกแล้วธรรมยศสอนใครไม่ได้สอนได้แต่ถ้าไม่สอนเท่านั้นเองซึ่งแสดงว่ายุคนั้นการะนั้นเนี่ยคนพู้ง่ายว่าไม่สามารถที่จะรับรับถ้าถ้าตัดสั้ลุอริยศัสตร์สี่เนี้ยสมมุตินะ ถ้าตัดสรูู้อันนี้เนี่ยหรือเรียกชื่อว่าอย่างนี้สําหรับพระประเจกับพุทธเจ้าสู่ทศนะถ้าท่านตาัดสัลูแบบนี้แล้วท่านมาสอนคนเนี่ยคือยุคนั้นกาละนั้นคนมันรับไม่ได้เพราะฉนั้นท่านก็เลยไม่สอนไม่ใช่สอนไม่ได้นะแต่จริงๆแล้วเนี่ยไม่สอนซะมากกว่าเพราะว่ามันไม่มีใครที่จะมาพูดง่ายว่ามารับฟังธรรมะอย่างนี้แล้วก็ พัฒนาขึ้นมาได้หรือว่าบารรลุธรรมขึ้นมาได้เพราะนั้นท่านก็เลยไม่สอนอย่างเงี้ยเราเรียกว่าพระปัจเจกับพุทธเจ้าเสร็จแล้วตอนนี้พอเอามาถวายใช่ไหมเอาดอกไม้เอาดอกอัญชันเขียวความที่เป็นผู้เลื่อมสายยิ่งในผู้ข้ามพ้นกิเลส ท, ทั้งปวงได้แล้วและทำการสักการะบูชาอยู่นี้เองส่งผลบุญให้ท่านไม่ไปสู่ทุกขติ ได้ไปแต่ทางสุขติเพียงอย่างเดียวในรกีนี้มีผู้ถามว่าว่าแม้บางทีทาทาชั่วมาถือว่าไปผิดศีลข้อสมอะไรอย่างนี้ต้องใช้วิบาก5ห0ชาติอ่าเสร็จแล้วตอนนี้อันนี้เนี่ยปรากฏว่าแค่เอาดอกอัญชันเขียวมาถวายพระปะเจกับพุทธเจ้า ปรากฏว่าทําดีแค่เนี้ยเนี่ยเเราดูแล้วเหมือนกับไม่เห็นจะเยอะแยะไม่เห็นจะใหญ่โตเลยเลยนะทําแค่นี้แหละแต่แต่แต่ด้วยจิตศัทธาเรื่มใสนะปรากฏว่าทําแค่เนี้ยเนี่ยโอ้โหไปดีอย่างเดียวเลยแทบจะไม่ไม่ไปในทางเลวร้ายอะไรเลยเนี่ยชาติแล้วชาติเล่าผ่านไปคือพูดง่ายๆว่าแหมได้ เจอแต่อะไรดีๆไปเรื่อยๆวันชาติแล้วชาติเล่าผ่านไปกระทั่งถึงยุคสมัยของพระพุทธเจ้านามว่าปทุมุตระดูนะนี่ผ่านจากพระปจเจ ก, กับพระุทธเจ้านะจนมาถึงยุคพรพุทธเจ้าพระองค์ใหม่อี ก, อกพระองค์ลนะชื่อว่าปทุบุตระท่านได้เกิดอยู่ในคฤหาตของผู้ดีมีสกุลจนเติบใหญ่รู้เดียงสาดีแล้ว ซึ่งเป็นเวลาที่พระพุทธเจ้าทรงปรินิพานพอดีปรากฏว่าพอเกิดมาเนี่ยพระพเจ้าพระองค์เนี่ยปฐุมุตระปรินิพานพอดีนะพอพอพ อ, พอท่านโตขึ้นมาเนี่ยหมู่มหาชนทั้งปวงพากันจัดเชิงตะกรแดดพระสรีระของของพระพุทธเจ้าได้นำของหอบนานาชนิดมาบูชาท่านเองก็ได้มีโอกาสทําบุญนี้ด้วย ด้วยจิตใจเคารพบูชาต่อพระศาสดาเป็นอย่างยิ่งจึงบูชาด้วยของหอมกำมือหนึ่งอันเป็นผลให้ท่านดำเนินไปแต่ในทางที่ดีดูนะนี่ชาติโน้นแค่ถวายดอกอัญชันเขียวชาตินี้แค่ถวายอะไรอ่ะของหอมกามือนึงไออันนี้ก็ถวายไม่ใช่แบบอะไรพูะเจ้ามีชีวิตยอยู่นะ นี่เหมือนกับอะไรถวายไอ้ที่ที่เชิงตะกรนอ่ะที่ที่วางศพแล้วนะแค่ของหอมกํามือหึงเท่านั้นเองแต่ด้วยด้วยจิตศรัทธาปรากฏว่าก็เลยไปแต่ดีชาติไหนชาติไหนก็ไปแต่ดีดูแล้วรู้สึกแหมเอ๊ะทานิดหน่อยเองนะรู้สึกทำไม่มากเลยนะทําไมไปแต่ดีไปใหญ่ดีนะ จริงๆมันไม่ใช่แค่นี้หรอกถ้าทำแค่นี้แล้วไปแต่ดีเนี่ยแมไม่ต้องไอ้นั่นละคือเขาเน้นตรงว่ามีจิตคารบศรัทธาเริมสายจริงๆเพราะนั้นเนี่ยแค่ทานั่นน่ะมันเป็นแค่อะไรเป็นแค่อามิตเท่านั้นเองเป็นการบูชาด้วยอามิตเท่านั้นเองจะเป็นดอกไม้จะเป็นของหอมอะไรแค่อามิตเท่านั้นเองประเด็นสาคัญที่สุดของคนที่จะไปสุคติ หรือจะไปดีได้เนี่ยความสาคัญมันอยู่ที่จิตศรัทธานะศรัทธาก็เชื่อถือเชื่อฟังเชื่อมั่นว่าตัวนี้ต่างหากเราที่เป็นประเด็นสาคัญที่ทำให้ท่านไปแต่ดีเพราะว่าท่านศรัทธาในพระพุทธเจ้าในพระปัจเจกับพุทธเจ้าศรัทธาในความดีระะันจิตศรัทธาตัวนี้แหละที่ทำให้ท่านก็เลยไปแต่ดีเพราะคนที่เชื่อมั่น ในสิ่งที่ดีสิ่งที่ดีสิ่งที่ดีดจะไปทําเลวทําไมก็คงจะต้องพยายามทําแต่ดีใช่ไหมนั่นแหละเพราะฉะนั้นก็เลยปุ้ยไงก็เลยได้ดีมาเรื่อยๆแต่ว่าก็คงจะยังมีกิเลสอยู่่ก็ไปทําผิดทำพลาดอะไรบ้างก็ต้องมีแหละหนีไม่พ้นน่นแต่ส่วนใหญ่ก็ได้ดีกระทั่งคราวนี้ได้มาเกิดในยุคสมัยของพระพุทธเจ้าองค์สมณโคโดมเนี่ยจริงๆเนี่ยกว่าจะถึงพระพุทธเจ้า แต่ละพระ อ, องค์แต่ละพระ อ, องค์อ๋โอ้โหควรอย่าคิกว่ามันสั้นๆนะอย่านึกว่าสั้นๆพระเจ้าแต่ละพระ อ, องค์จะเกิดได้เนี่ยศาสนาของพระพุทธเจ้าองค์เดิมนั่นก็ต้องโอ้โหสูญเสียต้องล่มสลายต้องหายไปแล้วอะ่ะพระ อ, องค์ใหม่ถึงจะค่อยมาแทนมาฟื้นขึ้นมาเอาง่ายๆอย่างศาสนาองค์พระสมมาโคโดมนี่เขาบอกเท่าไหร่ จะดูได้นานเท่าไหร่เอา 5, 5, ้าห้าห้าพันปีดูที่นี่นี่เอาแค่พระพุทธเจา้าองค์สมมนาคโคดมห้าพันปีคุณคิดดูกว่าที่ห้าพันปีไปแล้วนี่ยังไม่รู้นะพระพุทธเจา้าองค์ใหมน่นี่จะมาต่อเลยหรือเปล่ายังไม่แน่นะเพราะบางทีท่านไม่ได้มาต่อเลยทันทีบางครั้งเนี่ยมีทิ้งช่วงไปอีกก็มีไม่ได้มาต่อทันทีด้วยอาจจะอีก พันสองพหรือ 5,000 ปีมาอีกหรือเปล่าก็ไม่รู้เพราะฉนั้นโอ้โหกว่าเราจะไปได้พบพระพุทธเจ้าพระองค์ใหม่อีกโอ้โหเป็นพันๆปีหรือเป็นหมื่นปีหรือเปล่าก็ไม่รู้เพรอันนี้คิดดูเอาสิโอโปากฏว่าอดีตชาติของท่านนิกาเนี่ยโอ้โหผ่านมาจะมาถึงพระพุทธเจ้าองค์สมณะโคโดมนะได้เกิดในตระกูลพราหมณ์มหาศาลที่ร่ำรวย ในพระนครสาวัตถีมีนามว่าหาริตะนี่แหละเขาเนี่ยถึงชาติสุดท้ายและ <c oughs> น่าได้ชื่อว่าหาริตะตั้งแต่เล็กจนโตมีข่าทาตบริวารคอยรับใช้อยู่ตลอดเวลาจึงเกิดการถือตัวในชาติตระกูลของตนมักเรียกคนอื่นว่าคนถอยอยู่เสมอคือพูดง่ายๆว่าเราเราเราฟังจากเนื้อเรื่องเนี่ยเราจะเห็นเลย ว่าท่านก็ได้ดีมาเรื่อยๆนะเพราะว่าท่านมีจิตศรัทธาและท่านก็ทําดีของท่านผู้ง่ายๆว่าก็คงเกิดในสกุลดีมาเรื่อยอะ่ะจนกระทัง่งอันเนี้ยมันติดมามันไม่ใช่แค่ไม่ใช่ว่ามารู้สึกเอาตอนเป็นเป็นหาริตะชื่อหาริตะนี่มันไม่ใช่แค่ตอนนี้เนี่ยไปสะสมตัวที่เหมือนกับเกิดสกุลดีมาหลายหลายชาติหลายๆายชา ต, หาชาติหลายๆชาติเข้า เลยชักติดคราวนี้พอมาถึงชาตินี้มันคุ้นจะแล้วอะ่ะมันติดติดความเป็นลูกผู้ดีมีเงินมาหลายชาติพอมาถึงชาตินี้ก็เลยเรียกพวกคาถาบริวารมันเป็นภาษาเรียกอะ่ะเรียกมันเหมือนกับเรียกแบบชื่อที่มันเหมือนกับหมิ่นเขาอะ่ะนะว่าคนถ่อยคนถ่อยอันนี้เขาแปลเป็นไทยนะเ <c oughs> ออก็เลย แปลเป็นไทยมันเหมือนกับไอ้ไอลูกทาสไอ้อะไรเงี้ยนะสมมุตินะลูกทาสไอ้อะไรอ่นะมมนะ ไ, อไอ้ไอคนเทขยะไอ้คนชั้นตำ่ำอะไรเงี้ยนะแต่ในที่ดีก็แปลว่าคนถ่อยก็ติดเมื่ออายุเหมาะสมแก่การมีคู่ครองบิดามารดาจึงสู่ขอสาวงามทิดาของพราหมณ์ที่มีฐานะมีชาติตระกูลเหมาะควรกันมาให้ ทั้งสองได้อยู่ครองคู่กันอย่างมีความสุขตลอดมาจนกระทั่งวันหนึ่งหาริตะมานพได้มองดูรูปโฉมของภรร ย, ยาของตนแล้วได้บังเกิดความสะกดใจขึ้นด้วยการมองเห็นความจริงของชีวิตว่ารูปโฉมนี้แม้จะสะสวยสักปานใดสักวันก็ต้องเหี่ยวย่นแก่ชราเจ็บป่วย และถูกความตายคุกความย่ายีเป็นที่สุดในเวลาอีกไม่กี่ปีเลยอันนี้เป็นบุญของท่านแหละเป็นบุญเก่าที่แสดงว่าสะสมความศรัทธาในผู้ยเจ้ามาแล้วก็ได้ถือศีลปฏิบัติธรรมมาทำให้เข้าใจความเป็นจริงของชีวิตเนี่ยได้เพราะนั้นเนี่ยแค่เห็นเท่านั้นเองนึกเนี่ยมันมาเองเนี่ยพอพอ ครานี้เป็นบุญกุศลที่สะสมเอาไว้เป็นบรารมีเก่าเนี่ยเพราะวพอมันถึงเวลาเนี่ยบางทีมันพบมันเห็นอะไรนี่มันสะกิดใจขึ้นมาเลยสะกิดขึ้นมาปัา๊บท่านก็ทันทีเลยนะคนนี้เออเดี๋ยวอีกหน่อยเนี่ยภรรยาเราสวยยังไงก็ตามโอ้อีกหน่อยก็ก็หนังเหี่ยวหนังย่นแกชะลามันขึ้นมาเลยซึ่งสิ่งเหล่าเนี้จริงๆความจริงเนี่ยในอดีต ท, ท่านจะต้องมีเชื้อของบรารมีพวกนี้อยู่แล้ว เพรพอมาถึงชาตินี้นี่ของเก่าก็ตามมาอีกนะถ้าเป็นบาปก็บาปก็ตามมาทวงนี่คืนถ้าเป็นบุญบุญก็มาตามส่งผลให้เพราะตอนนี้ท่านาธรรมะเนี่ขึ้นละธรรมะวิจัยขึ้นละหลังหลังจากที่เกิดความรู้สึกอย่างนี้แล้วอีกเพียงไม่กี่วันต่อมาก็มีงูเห่าตัวหนึ่ง ัดภรรยาของเขายนถึงแก่ความตายเขาจึงยิ่งเศร้าโศกเสียใจใหญ่หลวงต้องไปที่พำนักของพระาศาสดาได้ฟังธรรมที่ให้ตัดความอาลัยไปเสียตัดใจที่ผูกพันทั้งบวงจึงได้เกิดดวงตาเห็นธรรมสละสิ้นทุกสิ่งทั้งทรัพย์สินบ้านเรือนเครือญาตแล้วออกบวชอยู่ในธรรมวินัยของพระพุทธเจ้า พูดง่ายๆว่าคนที่มีบา ร, รมีแล้วเนี่ยง่ายไม่ยากหรอกยิ่งพอมาเจอการต้องพัดพรากต้องสูญเสียจากสิ่งที่รักนี่โครมเลยตัดเลยเพราะว่าทุกข์เนี่ยพอมันเกิดขึ้นพอมันเห็นชัดนี่ตัดเลยทันทีจะต่างจากคนที่ไม่บําเพ็ญหรือว่าไม่ได้ฝึกฝนไม่มีบา ร, รมีมาเนี่ยต่อให้คุณเจอทุกอย่างก็ตามต่อให้เมียตายไปสักกี่คนก็ตามลูกตายไปอีกสักกี่คนก็ตาม หาใหม่หาใหม่คือคือคือาไม่เห็นทุกข์มันยังไม่ไม่เลิกลานะก็ต้องหาใหม่หาอะไรจนได้อะไม่ไม่ไม่จบง่ายๆแต่คนที่มีบา ร, รมีมาเนี่ยพอเจอปับ๊บโอ้โหทันทีเลยทันทีเลยมันเห็นทุกเห็นเห็นความชัดเจนเพราะฉะนั้นเนี่ยปรากฏว่ายิ่งมีโอกาสซะด้วยนะโอ้โหมาฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าด้วยพระเจ้าก็ตรัสสอนไปอีก นะให้เห็นถึงความป้าป้าให้เห็นถึงความความอะไรอวรความผูกพันนะผู้เจ้าก็สอนให้ใ ห, ให้ตัดซะนะท่านก็เลยออกบวชเลยเมื่อบวชแล้วบาเพ็ญสมณธรรมแต่ภิกษุหาริตะก็ยังติดนิสัยถือตัวในชาติสกุลยังขาดสติอยู่เสมอมักเรียกผู้อื่นเป็นประจำว่า คนถ่อยคนถอ ย, ถ อ, ยอันนี้แม่เป็นความเคยชินเคยชินซะและ้วขนาดบวชแล้วนะพยายามจะมีสตินะแต่บางทีมันก็เผลอเขาเรียกว่าขาดสติขาดสติก็เผลอไปเรียกคนอื่นเขาคนถอยยันได้ไม่ใช่ใครแล้วบางทีก็ไปเรียกคนนั้นคนนี้หรือเผลอๆอาจจะไปเรียกเพื่อนพิสูจบ้างหรือเปล่าก็ไม่รู้แหละ เนะพราะประพฤติจนติดนิสัยมานานแล้วก็ทั่งคร้านที่จะแก้ไขนิสัยนี้คือคื อ, คอมันติดจนกระทั่งเรียกว่าพยายามจะแก้พยายามจะแก้แล้วมันก็หลงมาอยู่เรื่อยเลยไอ้คำเรียกเนี้ยไปเรียกคนอื่นเขาแบบแบบดูหมิ่นเนี้ยแบบคนถอยคนถอยเ น, นี่ยพยายามมีสติเอ้หลุดไปอีกแล้วเดี๋ยวก็หลุดไปอีกแล้วในที่สุดเลยไปไ ป, ไปมาม า, มาเลยโอ้ยมันแก้ยากจังเลย ช่างมันดีกว่านี่นี่เนี่ยระวังให้ดีคนเรามักจะเป็นอย่างเงี้ยคือส่วนใหญ่เนี่ยตัวแบบนี้เราเรียกว่าสักกยะสักกยะหมายถึงกิเลสตัวใหญ่กิเลสตัวที่เราไปติดมานานกิเลสตัวที่เราเนี่ยคุ้นเคยกับมันจนกระทั่งมันแทบจะเป็นเจ้านายเราจนกระทั่งมันแทบจะเป็นเจ้าของตัวตนของเราอันเนี้ยเราเรียกว่าสักยะ มันจะต้องระวังให้ดีสําหรับพระหาลิตะเนี่ยท่านมีศักยะตรงเนี้ตรงที่ท่านสบายมาเยอะท่านล่ํารวยมาหลายชาติท่านก็ติดจนกระทั่งเรียกคนอื่นเขาแบบแบบเขาต้อยต่ําอ่ะเรียกเป็นคนถอยคนถอยเนี่ยท่านติดมาเลยไม่ใช่ท่านอยากจะเรียกนะตอนนี้ท่านไม่ได้อยากจะเรียกนะแต่มันเคยชินน่ยคุยไปคุยกันมาเอาไปเรียกเขาอีกแล้ว ว่าในที่สุดก็เลยแบบว่ามันมันมันมันหลุดไปเรื่อยไงมันพลาดอยู่บ่อยๆเข้าบ่อยๆเข้าก็เลยชักขี้เกียจจะชักขี้เกียจจะแก้แล้วซึ่งอันเนี้อาตมาว่านักปฏิบัติธรรมส่วนมากเลยนะหลายคนที่ไปเจอกรณีอย่างเงี้ยเจอกรณีที่ศักยะของเราอ่ะจะเรื่องอะไรก็แล้วแต่พอเจอเงี้ยพอเรา ตอนแรกก็ตั้งใจดีนะพยายามจะแก้พยายามจะแก้ยายา แ, กแก้ไปแก้มามันหลุดบ่อยแก้ไปแก้มาก็หลุดบ่อยบ่อยไปบ่อยมาเลยไม่ชักมันเราก็ไม่จะไปเจตนาเราก็ไม่จะไปแกล้งอะไรมันจะปล่อยไปเลยปล่อยไ ป, ยปยมันยิ่งยิ่งแก้ไม่ได้เลยถ้าปล่อยยิ่งถ้าสิ่งนั้นเป็นกิเลส ด, ด้วยอ่ะคราวนี้เป็นกิเลส ด, ด้วยเรามีเรามีจิตที่ไม่ดีด้วย โอ้โหโโคราวนี้คุณกิเลสโตขึ้นเลยนะกิเลสจะโตขึ้นเลยแต่สําหรับท่านเนี่ยท่านเนี่ยอาตมาว่าท่านไม่มีเจตนาจะไปเรียกใครเขาในทางดูหมิ่นดูถูกเขาหรอกแต่ไอความเคยชินมันจะหลุดไปเรื่อยหลุดไปเรื่อยหลุดไปเรื่อยแต่มันหลุดไปบ่อยเข้าท่านก็เลยช่างมันนะเพราะฉะนั้นนะเอาตอนนี้ดูดูที่ท่านจะทำยังไงต่อไป อ๋อท่านก็คลานที่จะแก้ไขนิสัยนี้เลยนะตอนนี้อยู่มาวันหนึ่งท่านเข้าไปสู่หมู่บ้านเพื่อบินธบาตได้เห็นช่างทำลูกศรคนหนึ่งกําลังทํางานของเขาอยู่โดยนําลูกศรมาดัดให้ตรงจึงได้เกิดพิจารณาธรรมะขึ้นว่าช่างสอนผู้นี้แม้ลูกศรคดก็ยังทําการดัดให้ตรงได้ก็แล้วจริดนิสัยถือตัวของเราเล่า หน้าที่จะดัดให้ตรงได้อ๋อนี่ท่านบอกว่านิสัยถือตัวนะ่แสดงว่าท่านก็ต้องมีกิเลสอยู่ด้วยตอนนี้มีกิเลสที่ที่ถือตัวเองว่าว่าดีกว่าเขารวยกว่าเขาเชาติสกุลสูงกว่าเขาอะไรพวกนี้แสดงว่าท่านต้องมีกิเลสพวกนี้อยู่ด้วยเพราะฉะนั้นถ้าท่านขี้เกียจในการที่จะลดกิเลสตัวเนี้ยในการที่จะห้ามพูดดูหมิ่นคนอื่น ถ้าท่านขี้เกียจนะท่านจะกิเลสอัตตามานะตัวนี้จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแต่ตอนนี้ปรากฏว่าพอท่านมาเห็นช่างสอนดัดลูกสอนเนี่ยเนี่ยคนที่ฝึกฝนหรือปฏิบัติทำมาบางครั้งคุณไปเห็นอะไรก็ตามมันมันสอนเราได้ทั้งนั้นเลยเตือนเราได้อันนี้พอปรากฏว่าท่านไปเห็นปับ๊บเออถ้าใครเคยเห็นนะสมัยก่อนเนี่ยส่วนใหญ่บางทีมันเป็นไม้อะ ลูกศอนเนี่ยนะเป็นไม้เป็นอะไรอะ่ะเป็นไม้อะไรบ้างอะ่ะเป็นไยหรือจะเป็นอะไรแล้วแต่อ่ะส่วนใหญ่บางทีมันจะโค้งบ้างมันจะงอบ้างมันจะไม่ตรงทีเดียวแต่ลูกศอนเนี่ยเขาต้องทำให้ตรงเพราะมันถึงจะยิงได้ถูกต้องได้ตรงเป้าเพราะมันมั น, ม, นมันงอไม่ได้เพราะฉะนั้นคนที่เขาทำลูกศอนเนี่ยเขาก็จะมาดัดอันตมาไม่รู้นะดีเขาใช้อะไรดัด จะใช้ไฟหรือจะใช้น้ําหรือใช้อะไรดัดอะไรไม่รู้แหละนะแต่เขาก็ดัดจนกระทั่งมันมันตรงได้ถ้าไปเห็นแค่เนี้ยท่านก็เลยคิดนึงเออไอ้สักยะเราเนี่ยไอ้ที่ชอบดูหมิน่นหรือว่าชอบเรียกคนอื่ว่าคนถอยคนถอยเนี่ยซึ่งตอนเนี้ยขี้เกียจที่จะไปแก้แล้วอะเห็นขึ้นมามันก็สะกิดใจว่าเออจริงๆถ้าเราพยายามพยายามแก้มันเนี่ยมัน ก, มนก็มันก็น่าจะดัดได้นะ ดัดจลิตตรงนี้ให้ได้แม้ท่านขบคิดวิจัยไปนในธรรมแล้วแต่ก็ยังลังเลสงสัยไม่มั่นใจในตนเองจึงยังคงเป็นอยู่เช่นเดิมเนี่ยหลายคนเนี่ยคิดดีตั้งใจดีแต่ไปไปมาทําเหมือนเดิมคือคือบอกแล้วไงพอสู้กิเลสไปหน่อยบางที สู้ไปสักครั้งสองครั้งสามครั้งปรากฏว่ า, า, าแพ้บ้างชนะบ้างก็สรุปเราไม่ค่อยจะดีกระเดิมสักกี่หลายเลยเพราะฉะนั้นก็เอาปล่อยไว้ก่อนไอตัวนี้เอาไว้บั้หลังเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยมาสู้ใหม่คือในที่สุดก็คือกลับไปเหมือนเดิมเ <c oughs> นี่ยจะเป็นอย่างเงี้ยซะบ่อยเลยมันจะล้มซะจะล้มความคิดจะล้มความตั้งใจนะขาดขาดพลังของความ เอาจริงของความเข้มแข็งของความอดทนพรพอขาดพลังตัวเนี้มันจะเลิกบางทีสู้ไปได้สักพักหนึ่งก็เลิกแหละ ว, ว่าอันนี้ก็เหมือนกันท่านคิดแล้วในที่สุดไปไปม า, มาก็เลิกไปอีกคันพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงทราบได้ตรัสสอนแก่ภิกษุหาริตะว่าแน่ท่านหาริตะท่านจงยกตัวของตนเองขึ้นจากความเกียดคร้าน เสมือนช่างสอนยกลูกสอนของตนขึ้นดัดให้ตรงเพื่อจะใช้ยิงได้ตรงเป้าฉันใดท่านก็จงดัดจิตที่หดหูในความเกียจคร้านให้ตรงฉันนั้นมีจิตให้ตั้งมั่นแล้วจะทำลายอวิชชาได้ด้วยมรรคญาณอันเลิศโดยพลนะทาลายได้ด้วยมรรคญาณก็คือด้วยมังองแปดนั่นเอง พอนพุทธเจ้าเนี่ยท่านกําลังบอกว่าส่วนใหญ่เนี่ยคนเราบางทีสู้กับกิเลสเราเนี่ยสู้ไปเนี่ยมันมันไม่ชนะทีเดียวรวดเดียวหรอกมันจะมีชนะบ้างมันมีแพ้บ้างเผลอๆบางทียิ่งเป็นตัวสักยะใหญ่ของเราเราจะแพ้มากกว่าชนะตอนสู้ใหม่ๆเนี่ยจะแพ้มากชนะน้อยพอนพอชนะนิดเดียวอะ่ะสมมติว่าชนะครั้งหนึง่งแพ้ตั้งสี่ห้าครั้งเนี่ย จิตมันจะหดหูรแล้วจิตมันจะห่อเหี่ยวและจิตหดหูรห่อเหี่ยวอย่างเงี้ยแหละมันก็จะทำให้เกียดคลานที่จะไปสู้มันหมดไฟหมดพลังที่จะไปสู้พสเพราะฉะนั้นใครเนี่ยที่คิดจะสู้กับศักยักษของตัวเองถึงต้องตั้งจิต ด, ดีๆแข็งๆเด็ดเดี่ยวมั่นคงตั้งเสร็จแล้วเนี่ยมันจะแพ้สักกี่ครั้งก็ช่างหัวมันเน่ยเราก็พยายามน่าเสริม เสริมจิตเสริมใจเราให้มันมีกําลังขึ้นมาที่จะทําอีกสู้อีกถึงแพ้ก็จะสู้สู้สู้อย่างเงี้ยก็ต้องทําอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆนะทําให้บ่อยๆทําให้มากๆจนในที่สุดแต่เดี๋ยวมันจะค่อยๆชนะเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นที่แพ้มันจะน้อยลงมันจะเป็นสภาวะนี้นะถ้าไม่อย่างนั้นนะคุณจะตกสภาวะหวดถูบอกแล้ว ม, มันหทถูไปหดถูมาใครมันอยากจะไปทุก มันไม่มีใครอยากทุกข์อ่ะเพราะฉั้นวิธีแก้ทุกข์ดีที่สุดคือคืออะไรคือเลิกทำไว้ก่อนหยุดไวก้ก่อนเพราะมันเลิกทําไว้ก่อนหรือว่าหยุดไว้ก่อนก็เรียบร้อยคือกลับไปเหมือนเดิมจะเป็นอย่างนี้แหละส่วนใหญนะ่ไม่ว่าเรื่องไหนก็ตามแล้วส่วนใหญ่ที่คนเราจะเนิ่นช้าก็คือลักษณะนี้แหละ พอสู้ใบได้หน่อยสู้ใบได้หน่อยเอ้ยเหนื่อยนล้เหนื่อยนะะไอเรื่องนู่นก็มาไอเรื่องนี้ก็มาเอาเพราะฉะนั้นเอาไว้ก่อนไว้ก่อนเดี๋ยวเอาทีแล้วเรื่องไปใบมามาก็เลยไม่เหลือสักเรื่อง <c ười> หมด <c ười> <c ười> นะอจาจนรย์พุทธเจ้าท่าก็เลยสอนนะว่าอา้าวว่าถ้ถาถ้าทาแล้วเนี่ยเลิกเกยียรตัค้านันนี้ได้รับรอง นะทำลายอาวิชชาได้พอท พ, พระหาริตะได้ฟังอย่างนี้แล้วก็ละความเกียจค้านมุ่งมั่นเจริญวิปัสสนาไม่นานนักก็ได้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์องค์หนึ่งครั้นพระหาริตะเถระจบสิ้นภาระแล้วหมายถึงว่าบรรลุธรรมแล้วเนี่ยนะได้รับความสุขหลุดพ้นจากกิเลส ท, ทั้งปวง ยังกล่าวแก่เพื่อนภิกษุทั้งหลายว่าผู้ใดมุ่งจะทํางานที่ควรทําก่อนไพร่ไปทำภายหลังผู้นั้นย่อมพราดจากความสุขและย่อมเดือดร้อนในภายหลังนะอันนี้เป็นพระหาริตาเทระเป็นคนพูดให้เพื่อนฟังแล้วคือท่านกำลังพยายามจะบอกว่าเนี่ยเ น, ยเนยคือไอสักกยะกิเลที่เป็นสักยะของเราเนี่ยจริงๆแล้วเป็นเรื่องที่เราต้องทําก่อนเพราะว่ามัน มันเล่นงานเราหนักกิเลสตัวเนี้ยมันเป็นอันตรายสําหรับเราอาตมาเคายเปรียบรูรั่วไว้สามรูสมมุติว่าเรือเนี่ยไปลอยอยู่ในน้ําเสร็จแล้วมันมีรูรูรั่ว อ, อยู่สามรูมีรูใหญ่รูกลางรูเล็กอาตมาถามว่าเรือเนี่ยมันก็น้ําน้ำมันก็เข้าเรือไปเรื่อยเรือจะต้องจมใช่ไหมเพราะฉะนั้นตอนเนี้ยมีรูรั่ว อ, อยู่สามรูนี้ รูไหนที่อันตรายที่สุดอ่ารูใหญ่ที่สุดอันตร า, ายที่ที่สุดเพราะฉะนั้นถ้าเราจะต้องไม่อยากให้เรือมันจมไวเนี่ยใช่ไหมต้องรีบจัดการรูไหนก่อนต้องรีบจัดการรูใหญ่ก่อนเพราะว่าน้ำมันเข้าเรือมากที่สุดเพราะฉะนั้นนี่แหละว่างานไหนที่ควรจะทําก่อนเนี่ยคือควรอุดรูรั่วรูใหญ่ที่ก่อนใช่ไหมถ้าใครเนี่ยปรากฏว่า แทนที่จะมาอุดไอรูใหญ่นี่ไปมัวอุดรูเล็กๆจริงคุณอุดรูเล็กได้อะแต่อุดรูเล็กเนี่ยน้ํามันเข้ามาทีล้นิดทีแล้วหน่อยเท่านั้นเองไอรูใหญ่น้ําเข้ามาเยอะคุณไปเสียเวลาไปอุดรูเล็กไอรูใหญ่น้ําเข้าน้ําเข้าเดี๋ยวจมแป๊บเดียวเนี่ยท่านกําลังบอกว่าผู้ใดมุ่งแต่ทํางานที่ที่ควรทําก่อนไพร่ไปทําภายหลังผู้นั้นย่อมพลาดจากความสุข และย่อมเดือดร้อนในภายหลังเนี่ยเพียงแต่ว่าอาตมายกตัวอย่างขออยาให้คุณฟังโดยเฉพาะเรื่องของกิเลสเราซึ่งเราจะได้รู้เลยว่าเออใช่กิเลสไอ้ตัวเนี่ยจะแย่อยู่แล้วจะตายเพราะกิเลสตัวเนี่ยมันอัดเราซ้ายขวาติดกำแพง